ผู้มีพระนามว่าเวสันดรซึ่งผ่านมาเมื่อปัจจิมชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ร่วงลับไปแล้วนั้นด้วยความพะรบอย่างส่งจริงขอกราบนมรสการพระเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาที่คุณปัญญาที่คุณภาวนาทิคุณด้วยความเคารพขอแสดงความเคารพความนับถือแต่เพื่อนศั ซึ่งมาจากต่างอาวาตต่างวิหารทั้งหลายมารวมกันณนะธรรมสภาหแห่งนี้ด้วยความเคารพและนับถือความหนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมองคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาโมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดี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 มาลบเหตุที่ท่านดังหลายได้จัดงานบุญมหาชาติหรือพระเวสสันดรขึ้นจึงได้ไปกราบอาราธนานิมนต์อาตมาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชา ด, ดกก็รายการกระทําเช่นนี้รู้สึกว่ า, าท่าโยอมทังหลายเป็นผู้ก้าวหน้าเท่าที่ควรและเป็นผู้กล้าทาในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทา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 เพราะว่าการกระทําเช่นนี้ไม่จะเป็นการปฏิวัติไม่ช่เป็นการประยุกซึ่งเมื่อกี้อาตมาได้ยินยมพูดว่าวันนี้เราจะได้ฟังธรรมเทศนาพิเศษเวทสันดอนประยุก ค, ความจริงอาตมาอยากจะขอร้องให้ท่านหลายเลิกใช้คำว่าประยุกคำว่าประยุกนี่เหมือนกับว่าจะเอาอะไรมาปนมาปลอมเข้ามาในนั้นให้มันเข้ากันกับสิ่งเหล่านั้น แต่อาตมาอยากจะใช้คําว่าปาริทัศน์มากกว่าประยุกต์ปริทัศ์หมายถึงว่าดูกันให้ทวนทั่วให้รอบให้ชัดเจนทัศทันนิทัศนะแปลว่าดูแปลว่าเห็นปริรอบยิ่งดูกันให้เห็นแจ้งอย่างชัดเจนอย่างยิ่งในเรื่องพระเวสสันดรดนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้จาะนิมนต์อาตมามาเทศองค์เดียว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 ยกออกมาเทศนาธรรมขันหมักเบงงามสภาษเข้าพันกร อ, อาจบูชาสาขาชาสามดวงหนวยแก้วตกแต่งแล้วถ้วยอาจบูชาสาธุสาธุนโมนไมจอมไตบิดอกว่ากันแห่ข้าวพันกรรอบสาราเสร็จจากนั้นก็ขึ้นอัญเชิญอาราธนาเทพพระเวสสันดร ในการอาราธนาเทศพระเวสสันดรก็จะอาราธนาเป็นพิเศษถือได้ว่าพระเวสสันดรเป็นงานพิเศษกันจริงๆอาราธนาพิเศษยาวเยียดเทศกอพิเศษตั้งแต่ไปสี่ยันสองสามทุ่มกว่าจะจบนั่นมันพิเศษจริงๆแต่เสร็จแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากการทําพิเศษพิเศษนั้นกลับไม่ได้ประโยชน์ได้อะไรได้ได้เพียงเป็นพิธีประเพณีพิธีรีตองป่าเปล่ า, าเพราะคนฟังนั้นไม่ได้รู้เรื่อง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 จากความคลุมเครือในเหตุในผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้อาดามาได้มีโอกาสมากล่าวปาทกรถาธรรมทีทม่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ไปในมลมานั้นก็จะขอปริทั์ไปเป็นท่านเป็นตอนให้ละเอียดขอท่นานทั้งหลายตั้งอกตั้ง่จฟังไม่ต้องพายานนมือก็ได้ยอมเอยวางมือลงซะนั่งให้สบายสบายในอิริยาบถ ท, ที่ถัดน อยาให้ร่างกายรู้สึกบีบคั้นจะทําให้จิตใจกระสับกระสายไม่มีสมาธินั่งให้เป็นสมาธิให้จิตเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิสมาธิมาจากคาว่าสามะบวกอาธิรวมเป็นสมาธิสมะแปลว่าส ม, า ม, สมา่ําเสมออาทิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งสมะบวกอาธิรวมเป็นสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งนั่งยังไงจะปกติมั่นคงโยมผู้ชายจะนั่งคัดตามะ ก, ก็ได้ไม่เป็นบาป พอความจริงแล้วชาวอินเดียก็เด็ชาวพม่าประเดีกเขานั่งคัตมา ก, กันทั้งผู้หญิงผู้ชายท่านมาไปอินเดียมาห้าหกครั้งแล้วเขายังพูดอีกสำนวนหนึ่งสำเนียงที่เขาออกอย่างตัวซอเป็นต่อต่อยังเขาว่าสมาธิเขาจะ้คำว่าตะมาธิในประเทศพมา่าในตะมาธิแล้วคำว่าตมาธิกำนั่งขัตะมาธิในมันกอนคงจะเพี้ยงเพียนมันจะวันนั่งคัตะมาธินั่นเองถ้ายองผู้ชายไม่ถนัดในการนั่ง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 ขอขัดไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อเพื่อให้เหมือนเปี้ยงเหมือนถ้วยโถโอชามที่เราใช้มากๆใช้มากๆแล้วมันสกรปรกมันต้องขัดด้วยสกอตไบใส่แฟบใสอะไรเข้าไปมันถึงจะเกลี้ยงศรัทธาของโยมก็เหมือนกันเคยฟังเรื่องพระเวสสันดรมาทุกปีแล้วมี่จะฉลองไม่มีขัดมีแต่ให้เชื่อตามาทางปากาเซนโตศรัทธาอาหารปิกเควดุลาปิคุทั้งหลายทั้งงานทั้งงานนั่งสระงบฟังอยู่นั้นเชื่ อ, อไป เสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขัดทัฐาให้หยบฟังเฉยๆ ย, ยังไม่ต้องเชื่ออาตมา ก, ก็ได้เอาไว้เชื่อทีหลังวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ได้ถ้าพิจารณาแล้ว ม, มีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์กู้รู้สรรเสริญปฏิบัติตามได้ผลเกลื่อนเลไปด้วยประโยชน์เมื่อนั้นท่านเพึงเชื่อพระผู้ดีเจ้าท่านใช้แบบนี้เดินทางไปในหมู่บ้านกาลามะซึ่งมีคนไปเทศไปสอนก่อนมากมาย ชาวบ้านจนงงไม่รู้จะเชื่อใครพระพุทธเจ้าไปเขาก็ชี้หน้าถามซะก่อนยังไม่ต้องเถกท่านก็บอกไว้บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่ออาตมาก็แล้วกันมาเนี่ยขึ้นตอนนี้มาอนุสเวนะมาอิติกิรายะมาปรัมปรายะมาปีตะกะสัมปทาเนนะมันหลายมาทั้งหมดสิบมาเขออาเอาไพ่พูดในภาษาบาลียงก็ฟังยาก แปลว่าอย่าเชื่อโดยสักแปลว่าเขาว่าอย่าเชื่อเดอะข่าวเขาเล่าเลยกันอย่าเชื่อเดอะเขาทําสืบๆกันมาอย่าเชื่อเดอะอ้างในตํำรับตําราเรื่องบุญพระเวสสันดรเราทํากันมาเป็นสิบปียีสิบปีโอ้ยเป็นร้อยร้อยสอง้อปีในประเทศไทยก็ตามทีเถอะในช่วงนี้ไม่ใช่หัวแข็งไม่ใช่หัวกระด้างมาไม่เชื่อปู่เทาเราจัะเชื่อเมื่อมีเหตุมีผลเพียงพอแต่เดี๋ยวนี้เรายังเชื่อไม่ได้ฟังสักก่อน ถ้าลักษณะเช่นนี้แล้วจะเข้าไปสู่ความเป็นชาวพุทธได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังอดตมาก็แล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดทำขั้นไม่หย่าแหลกแล้เบาข่าแขวจังคอยกืนเอบเอบห่องสิลงวาแต่เสียงกบล่างแต่เป็นท่ำท่านสิต่อตายเบาท่านหูฟังเสียงอีอีห่องยดาว่างใกว่าจาจันสาที่แนวเฮาหอมเียวเกี่ยวกะห้องเป็นเ็นวัเลื้งเอ่เ อ, อสียลงวา่าแต่เนินคํา ล่างจะเป็นขําปอมเหตุอย่างไรบัดข่ําเกะเแบเบ่หอกง่วงเฮาย่าภ า, าวาล่างจะเป็นสาบเสื้อเสื้อหายสิค่ะพ่อเจ้าแล้ว น, นี่คนโบราณได้สอนไว้พระสงฆ์องค์เจ้ากอโกหกยมเป็นเหมือนกันหลอกลวมยมเป็นเหมือนกันคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะพระสององค์เจ้ามาไม่ใช่น้อยๆอาดมาอยู่ในจํานวนเดียวกันนี้คือพระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองเหลืองยมยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ต้องฟัง สุสังและปะเตปัญญาฟังให้ดีๆแล้วจะเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เราเป็นนักฟังที่ดีแล้วเราจึงจะรู้จะเข้าใจวันนี้อาตมาขออนุมโมทนาด้วยใจจริงที่ท่านตัางหลายกล้าจัดงานนี้ก็เริ่มต้นก็คือครูบาอาจารย์ในหมู่บ้านในพระราธนานิมลอาตมาสแสดงว่าเป็นผู้นําชุมชนจริงๆพ่อแม่เคยฟังพระเวสสันดรกันมายางไงลูกเต้าจะเอาอย่างนั้นก็เลยทําให้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 นันรีเทิร์ไม่มีใครมุนกับปฏิวัติเลิกล้างใหม่ทำใหม่ขึ้นมาหมดเห็นอังเก่าไหมดิแต่ปฏิรูปนี้ไม่ได้เลิกล้างของเก่าเอาของเก่าด้วยแต่จะทําให้มันดีถูกต้องดีงามปฏิรูปไปว่าเหมาะสมกลมกลืนถูกต้องดีงามอย่างเขาตั้งสภาปฏิวัติขึ้นมารัฐบาลเมื่อกี้ตั้งเดาวสุมลมลมแรงแรงบ้าบ้อบองไปงั้นเพราะว่าปฏิวัติมันต้องใช้อํานาจตนเองมีอํานาจอะไรจะปฏิวัติ แต่ปฏิรูปหรือว่าปฏิหุภาษาลาวไม่ต้องมีอำนาจเพราะปฏิรูปในสิ่งที่มันมีอยู่นั้นไม่ได้ลือทิ้งไปไหนจะเอานั่นแหละทั้งหมดนั่นแต่จะเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีงามจัดให้มันถูกมันต้องมันเป็นภาษาบาหลีไม่ใช่ภาษานักการเมืองเวลาพระจะไปบวชเป็นพระตอนที่บวชเป็นเนรและจะต้องไปข อ, อนิสัยกับอุปัชาว่าอาหารพันเตนิสยังยาจามิ สุติยมปีสุติยมปีอาหังพันเตนิสิยังยาจ่ามีท่านผู้เจริญขอท่านจงให้นิสัยเพื่อประพฤติปฏิบัติแก่ข้าพรเจ้านะตอนจะบทเป็นพระอุปชาจะบอกว่าปฏิรูปังปฏิรูปังปฏนะิรูปังป่าสาิเกนะสำปาเทงไอ้ปฏิรูปังปฏิรูปังเลยแหละแต่ว่าปฏิรูปให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกืนมันถูกมันต้องมันดีมันงามนะสร้างความเรื่มไสให้ถึงพร้อมในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม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 พอโยมถวายอาหารเพลงเสร็จอาตมาก็พักผ่อนพอพระฉันเสร็จโยมก็กินกินอิม่มอาตมาก็จะมาปาทกรถาต่อไปในเรื่องที่มันยังค้างๆเอาจนจบก็คิดว่าไม่เกินห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงแต่ถ้าหากใครจใจปั่มไม่ต้องกินข้าวเพลเลยฟังกันรวดเดียวให้จบก็จะเป็นการดีไม่ต้องขาดว่าขาดตอนอาตมาก็จะขอยืนสู้อยู่บนสแตนนี่แหละอย่างเก่งไม่เกินหกชั่วโมง โยมว่าคงยังไม่หิวเคยไปปลาทกถาที่อุดรธา น, นีที่อุบลสองแห่งนี้รวดเดียวรวดเดียวห้าเจ้าโมงหกจ้าโงชบ้านก็ใจถึงใจปั้มไม่กินข้าวกินเช้าพอฟังเทศเสร็จค่อยกินใหม่ความจริงโยมมีเวลากินทั้งวันทั้งคืนนอนหลับหลับลุกขึ้นมากินก็ได้อาามานี่ฉันครั้งเดียววันละครั้งเดียวเท่านั้นก็ยังมีเรื่องมีแรงที่จะคุดกับโยมเอา้าวันนี้เราบอกแล้วว่าจักไม่รีบไม่ร้อน ก่อนอื่นใดเรามาว่ากันในเรื่องประเพณีของบุญพระเวสสันดรกันก่อนเพื่อว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนแจมแจ้งตามปกติประเพณีบุญพระเวสสันดร น, นี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจประเพณีของพี่น้องชาวอิสานของเราและกัพี่น้องชาวประเทศลาวผู้ไงว่าสองฝากฝังของนี้ถือว่าบุญพระเวสสันดร น, นั้นเป็นหัวใจ เป็นหัวใจประเพณีที่สุดเลยจะทุกจะยากลําบากลาบนแค่ไหนทุกหมู่บ้านชาวอีสานจากต้องเอาบุญพระเวสสันดรต่อให้ทุกให้ยากแค่ไหนจะขูดหัวเหล่าเก่าหัวหญ้ารวบรวมเรียวแรงเงินทองเจตุปัจจัยต้องเอาบุญพระเวสสันดรกันให้ได้ชีสินนะบุญอื่นไม่มีช่างมันบุญพระเวสสันดรถือว่าสําคัญนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนี้ถ้าหากเราปอกเปิืกขูดเราจะได้ไประโยชน์มากในเรื่องพระเวสสันดร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 แต่คนหนุ่มคนสาวไม่มาอีกหน่อยคนแก่คนเท่าก็จะต้องล้มหายตายไปคนหนุ่มคนสาวเมื่อไม่ไมรู้เรื่องไม่มองเห็นคุณค่าในเรื่องนี้ก็จะเลิกร้างกันไปไม่มีใครเสพทอดเจตนาอันเป็นอุดมการณ์ที่ดีงามในทางสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องบุญประเวนีเมื่อเราจัดปฏิรูปอย่างนี้ก็ขอให้มันได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเท่าและก็คนหนุ่มคนสาวอาดามารู้สึกว่าตนเองเกิดมาในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ วิเลี่หวต่อระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมคือประเพณีของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็วัฒนธรรมใหม่ของฝรั่งมังคาที่ไหลเอือท่วมค้นเข้ามาสังคมเราคนหนุ่มคนสาวทุกวันนี้ไม่มีความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาแบบโบราณไม่ยอมรับส่วนคนแก่คนเฒ่าก็ยึดมั่นถือมั่นในประเพณีพิธีนี้ต้องจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์อันจะเพิงได้ในประเพณีนั้น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 ทางเทคโนโลยีแต่ความเจริญทางด้านใจิตใจไม่มีอนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูโคเวยในความเจริญทางจริยธรรมนั่นคือโลกภาษีอ่านที่เราจะเข้าให้ถึงนําสังคมให้ถึงเป็นอุดมคติของสังคมเราจึงบอกว่าเมื่อฟังพระเวสสันดรครบสิบสามกันมีสินห้าบริษุทและจะเกิดทันโรคภสษีอา่านปีนึงเราเอาวุญพระเวสสันดรนั่นเป็นการตอกย้ํา ซ้ำเตือนอุดมคติของสังคมเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสังคมจะต้องนำกันไปจนถึงความเจริญที่สุดทางเศรษฐกิจและจริยธรรมแต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ไประโยชน์ดีๆต่อก็ตอกไปเถยิ่งอบุญพระเภทสันดนยิงทำลายเศรษฐกิจยิ่งทำลายจริยธรรมเพราะเราทำไม่ถูกไม่ปฏิรูปปังไม่ปฏิรูปปังปฏิรูป ป, รรปังไม่ปฏิหู้ไม่ปฏิรูปกันให้ถูกต้องดีงามก็เลยกลายเป็นพิธีพิธีเฉยๆพระพุทธเ จ, า จ, าจา้าจึงบอกว่า มาปรำประอย่าเชื่อโดยเขาทำซื้อกันมานะมีโอกาสผิดพลาดก็ได้มันอาจจะไม่เหมาะสมกลมกลืนในขณะนี้แต่มันอาจจะดีจะ ง, งามเหมาะสมกลมกลืนในขณะอื่นในสมัยก่อนนั่นอาจจะดีงามถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราไปถึงบอกเราจะเป็จะต้องใช้รถไปถึงน้ําเราจะไปจะต้องใช้เรือจะมาเทียนกันว่าเรือดีกว่ารถรถดีกว่าเรือไม่ได้ ถาไปถึงน้ําเรือมันต้องดีกว่ารถแน่ถ้าขึ้นบนบกรถมันต้องดีกว่าเรือเพราะฉะนั้นประเพณีต่างๆในสมัยหนึ่งอาจจะดีที่สุดแต่ในสมัยหนึ่งอาจจะเลวกว็ได้ถ้าหากเราไม่รู้จักปฏิรูปท่านั้นลองคิดดูพวกนกนูปูปีกพวกไก่พวกพวกาสูนักสัตว์ทั้งหลายมันก็ยังรู้จักปฏิรูปเช้ามามันลุกขึ้นยืดคอมันไกยย่ยืดปีกยืดขาบินออกจาก เรืองจากหลังไปหาจิกหาเขีย่ยหาคุยหากินและเวลามันพักอยู่ที่เฉยๆมันก็ไซ้ขนของมันให้เข้าที่หลังจากนั้นมันก็ยืดไปเยืะๆขาทั้งหมดนั้นมันคือปฏิรูปตัวมันเองให้ตัวมันพร้อมที่จะทํางานให้เป็นเหมาะสมกลมกืนทุกสถานการณ์เราก็จะต้องรู้จักปฏิรูปให็น ไ, ไหมล่ะ ประเภทนี้ที่มีอยู่ประทรูปซั บ, บริเมตผููเป็นภาษาฝรัง่งเราซั บ, บริเมตทําให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอย่างนึ่งบุญพระเวสสันดรเ น, นลาก็จึงจําจะต้องมาว่ากันเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเฒ่าจากไม่ทิ้งของเต่าของเดิมและคนหนุ่มคนสาวก็จะให้ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมาว่ากันแบบนี้อ่าประมาจะต้องขอเสียเวลาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องบุญพระเวสสันดรก่อนเพื่อจะ ทำให้คนสมัยใหม่ได้เข้าใจคนสมัยเก่าตายไปสมัยใหม่จะได้จดจําทําตามให้ถูกต้องวิธีทำนั้นวัดใดจะทําบุญพระเวสสันดรในพระสงฆ์จะจัดแบ่งหนังสือออกเป็นกันๆ ก, กะให้พอดีกับจํานวนพระเนนในวัดแล้วก็จํานวนพระที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆคั้นแบ่งหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเรือนกันอย่างเช่เมื่อว่าบ้านนี้มีกี่เรือนสองร้อยกว่าเอาสองร้อยเรือน เ, เอากันกี่บ้านกี่วัดจะเอามาสามสิบวัดก็หารกันไปนเลยอย่างนี้ ค้ามันไปเลยว่าสามสิบนี่จะได้เท่าไหร่จะตกเรือนละเท่าไหร่แบ่งเรือนเท่านี้ก็กื่ไปค้ำบ้านโน้นบ้านนี้นี่ทีนี้เมื่อแบ่งเรือนแบ่งหนังสือน ะ, จะเจ้าค้ำบ้านนั่นค่อยค้ำบ้านนี้กลุ่มนี้ค้ำบ้านโน้นอุปธรรมบ้า น, น, นก็เอาหนังสือไปใส่ไปใส่ต้องพร้อมที่จะต้อนรับทั้งพระทั้งโยมที่จะมานั้นแล้วก็เขียนฉลากในอีสานของเราเขียนเป็นตัวทำตัวไม้โบราณ น, นะใส่ในใบลานหรือในกระดาษ เดีย้เขียนเป็นตัวไทยแต่เรืนี้ก็เกือบจะหมดไปแล้วเขาจะเขียนด้วยคำว่าวุติธรรมคํำฟงฆ่าต่างหลายภายในมีอชาชญาธรรมเป็นเข้าภายนอกมีอาชญาศิษย์เป็นประธานได้พร้อมกันจัดงานมหาชาติบุญประเวทสันดอนขึ้นที่บ้านนั่นในวันที่เท่านั่นเท่านั้นค่ำเดือนนั่นวันพศนั่นเป็นวันรวมแล้วก็มีการบวชหน้ามีการหอตสงวันที่เท่านั่นหลังจากรวมเป็นวันฟังธรรม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 วันรวมวันที่เท่านั้นตรงกับวันแรมเท่านั้นขึ้นเท่านั้นค่ำหลังจากนั้นเป็นวันฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งเอาเวดสันดอนจึงข อ, อนิมนพระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดนี้ไปแสดงธรร ม, มเทศนาให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังขอจงบอกเตือนเอิญนเตือนบอกเปล่าชี้จแจงทแถลงขให้ญาติโยมในหมู่บ้านนี้ ไปทําบุญสินกินทานด้วยกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันมากๆก็ขาเทินจืไม่โบราณเอาอะไอย่างเงี้ยคำเขียนฉลางนิมนกอกง่ายๆสั้นๆแต่ก็อมความไปหมดชัดเจนเดี๋ยวนี้ไปใส่ฉลากนิมนเขียนหนึ่งสามสี่แผ่นกระดาษมีคนกี่คนอยู่ในบ้านเขียนลงหมดกรรมการคนนั่นเฮลันยิค น, นี้ประธานคนนั่นกำ น, นันนั้นผู้ใหญ่บ้านนั่นคณะกรรมการนั่นผู้ทรงคุณะพุท ธ, ธิ กูเป็นกรร ม, มาการโวยมีไปหมดเขียนลงไปในฉลากพิมพ์หนังสือแบบสิ้นเปืองค่าพิมพ์บางแห่งเขียนพิมพ์แล้วเสร็จไล่แต่ชื่อชาวบ้านมีสามร้อยคนเขียนลงไปหมดเลยเป็นกรร ม, มาการอะไรเสร็จแล้วลืมเขียนนิมนต์พระนิมนต์พระแล้วเอาไปให้พระข อ, อนิมนต์พราะขุณเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพวกขุนพิจารณาทั้งหลายหนึ่งกันไม่ว่าเลยลงเลยเอาไปให้พระท่านก็ไม่มา ให้แต่ซองเรียกไปแจกนั่นแหละมาฝากคนมาให้เพราะไม่ได้ดิมอนท่านอย่างนี้ก็มีนะเป็นความสเพาฉลาดมากแต่ก่นในที่สุดกลายเป็นความโง่ไปก็มีในสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเมื่อใส่ฉลากในมลเสดถึงวันเทศพระท่านก็จะพาชาวบ้านมาหนังสือคัามภีรโวรานีนแบกใส่บาตรมาเล่นะหาชาวบ้านมาคนนมคนสาวแต่ไม่แต่ก่อนค ม, มานาคมไม่สะดวกสบายโรคดาไม่ค่อยมีกัน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 มีกันเทศมีอะไรข้าว้นมข้าวต้มที่เขา้าใส่ถวายพระกับชาวบ้านนั่นแหละพากันหาบกับแล้วก็เอนกันตามทางนี่คือคือคื อ, คอลักษณะสังคมในอดีตเอามาเล่าให้กับฟังหน่อยทีนี้เรามาดูกันในเรื่องงานว่าเมื่อถึงวันรวมเนี่ยชาวบ้านที่อบุญประเวสสันดนญาติโยมภายใบ้านจะมารวมกันที่ศาลาโรงทำตอนเช้าตีกองรวมตีกองโฮม เตรียมเครื่องสักระมีข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนทุ่งดั่างละพันละพันทุ่งช่อทุ ง, ทงใหญ่ทุ่งใหญ่อีกแปดอันปักไว้ในทิศทั้งแปดรอบศาลาลงทำเนี่ยสังเกตดูบางหมู่บ้างก็ทําไม่ถูกกันนักหรอกมองมองดูมีทุงแก่สองสามอันที่เล่าให้ละเอียดเพราะว่าวันนี้เราจะปริทัศน์กันทุงใหญ่แปดแปดอันปักไว้ในทิศทั้งแปดรอบศาลาลงทำตั้งหม้อน้ำหมนสี่บ่อ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 ประโยชน์มากซึ่งอาตมาได้กล่าวแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันเหมือนกับผลไม้ที่อรดอร่อยต้องมีเปลือกน้ำมีน้ำหุ้มมีอะไรเราจะต้องปอกเปลือกมันซะก่อนหออุปกุตนั้นใช้เสาไม้ไผ่สี่เสาปลูกให้สูงเพียงตาเอาฟ้าขัดแต้มสามด้านเอาบาทเอาร่มหรือที่เราว่าจอา้องสสารเรียกว่ากดกระโจนการน้าจีวรไม่เท้าเหล็กใส่ไว้ในหอ เวลาบ่ายก็หลังจากถาวายพระทหารเพลงเส็จตอนบ่ายๆจัดเครื่องสักการะไปเชิญเอาพระอุปคุดมาอยู่หอสมมุติว่าท่านอาศัยอยู่ในแม่น้ำห่วยน้องหรือที่ใดที่หนึ่งตึ่ใกล้ๆกับที่นั่นพูดกันง่ายๆว่าสร้างศาลสร้างหออุปคุดไว้ในทางด้านทิศตะวันออกของศาลา แล้วก็เอาเครื่องบริหารของพระนั่นแหละทั้งหมดพวกไม่การน้ำไตรจีบอนกระโถนบ า, ร <c oughs> าดร่มฮ่าเรามาไปเห็นในบางหมู่บ้านในประเทศเขาก็จัดไว้กันแต่ทําพอมันแตกๆไปรองเท้าก็อไปใส่ให้พระอุปคุดข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีเหลืองเมือนก็ไปขโมยของใครมารองเท้า ข, ดขาดๆแม่เห็ลสำเพ็เวทนาอุปคุด อดอยากอยากแก่เหลืเกินไม่ต้องใส่ก็ได้ล็อกรองเท้าแต่จะไปเอาสีแดงสีเขียวมาให้ทันพูดถึงใดจีวารกอ็ขาดขาดเก่าเก่าคำขาดเอาไปกองอ้อยเนาะไว้ไม่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหมือนกับทําพอเล่นแล้วลูกหลานเขาจะสืบทอดได้อย่างไงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักต้องเป็นหลักให้เขาในสิ่งที่ถูกที่ต้องดีดีจริงงามใหญ่ในสิ่งที่ถูกที่ต้องเ ด, ด, ด่งามแล้วยังเป็นหลักให้เขาอีกด้วยให้เขาได้ยึดถือเป็นหลักเป็นฐานด้วยนี่อะไรหออุปคุต รองเท้าสีแดงข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งรองเท้าแปะ ข, ขาดขาผ่าจีวอนเก่าๆข้ามขาเอาไปกองอ้อยเนาะไว้กราน้ํากว่าดำปิดปีเอาไปตั้งเอาไว้แม้สมเพศเวทนาประคุณเหลือเกิน <c oughs> ลูกหลานก็จะไม่เข้าใจตอนนี้จะขอร้องใหม่พ่าต้องทําให้ดีด้วยความเคารพทําให้ถูกให้ต้องเมื่อจะทําอะไรก็ทาให้มันดีๆจีวอนกันมันดีๆรองเท้าก็หามันดีถ้าไม่นมีก็ยังมีเลยรองเท้าอย่างเนี้ย แล้วก็พวกตานะ้าพวกอะไรก็เหมือนเราคนดีๆจะกินได้นะั่นแหละเป็นการเคารพ a อ p r e c i a t i v e a c t แ o n แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าความหมายของกิจกรรมนั้นนั้นเหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นที่นั้นจึงเรียกว่าบุคคลที่เป็นผู้ฉลาดเป็นมองคลหรือว่าปูชาจะปูชนียานั่งกั น, นประมาณบ่ายโมงผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะต้องไปเชิญอุปคุตพาลูกพาหลานไป สมุริว่าท่นอยู่ในหนองน้ําหรืออยู่ในริมห้วยนองของบึงตรงไหนสักแห่งก็ไปเชิญทําไมต้องไปเชิญที่ริมหนองน้ําขออภัยก็ก็ต้องขอเล่าเรื่องให้ฟังสะะักก่อคือในสมัยโบราณเนี่ยถ้าบุญพระเวสสันดรจะต้องปลูกหออุปคุดอุปคุดนั้นมีประโยชน์ประว่าิหากบุญพระเวสสันดรในจัดอุปคุดไม่ถูกไม่เชิญอุปคุดมาหรือทําอะไรไม่ถูกเนี่ยจะเกิดอาเพศเหตุภยัยเกิด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 เ่ล่นเต็มที่มันก็เสียเต็มที่นั่นแหละตกกระเทินได้ลงไล่เล่นกันเล่นตาให้มันมว้วนตกกระเทินว่าได้กวนก็ให้กวนให้มันคุนควนน้องหนามควนฟ้าให้มันคุนขั้นเป็นกวนคุ น, นแลว้วซิ่วกุุงหากสิงอมประจันบุญผาเวคนที่ชอบเล่นก็เล่นกันจริงๆสมัยโบราณเพียงแต่แหบพระเวศสันดอนเข้าเมืองในกินเหล้าเ ม, มาแล้วตั้งแต่เช้ามืดของวันเนี้ เมาแล้วเดินขับถนนมาแล้วต่างคนตา่างเมาเอาแล้วมีอีกพวกหนึ่งหามกองกองใหญ่ใหญ่แล้วก็ตีเสียงตีกองเร้าใจเขาเรียกว่ากองเลงเรียว่ากองนักเลงกินเล้าเสียงตีกองว่าเติมทุกเติมทุกเติมทุกเติมทุกมันเติมทุกเรียว่าเพิ่มทุกเพิ่มทุกเพิ่มทุกเป็นภาษาไทยกังแล้วในที่สุดก็มันใส้กันเมื่อเห็นหน้ากันมันเมาแล้วเนี่ยลืมหน้าลืมหลังกันแล้ว ขนาดเมียตนเองแท้ๆก็ยังจำหน้าไม่ได้ขึ้นไปบ้านอินนา ม, ม้านี่ผัดวะหืมจำหน้าเมียตนเองไม่ได้เป็นเมา่นี่ดิฉันเห็นเพื่อนก็ฟอนเสือหลากหางเสือเหลียวเหล่าฮันุมานถวายแหวนอีแห้งตากปีกอะไรต่างๆฟอนไปการเมื่อตีกองแรงรัวก็จะตี ก, กันหัวร้างข้างแตกกันไปเลยเป็นข้างแสดงว่าการจัดอุปคุณไม่ถูกในคนโบราณถือนะเพราะอะไรเพราะอุปคุณนี่ ที่จัดไว้เพื่อรักษาความสงบของงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโมดเดุของการตั้งสารอุปคุ t และเชิญอุปคุ t ในงานพระเรสันดรก็ต้องขออภัยนํามาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังเรื่องเดิมมีอยู่ว่าในสมัยพระเจ้าอโศมหาราชพระเจ้าอโศมหาราชในท่านต่้งหลายจะต้องรู้จักคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นนักรบ ที่เก่งกล้าและเป็นนักการาศาสนาที่เพ่งขัดของชาวอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพันธ์ไปสองร้อยกว่าปียีหปีเนี่ยในประเทศอินเดียมีคนนับถือพุทธศาสนามากแต่ก่แต่ก่อนนูกเขาก็ยังไม่ได้นับถือเพราะว่ามีครูทั้งหกดังๆร่วมสมัยพุทธเจ้าปูรณะปักษะสปะมคคัลเโคสารอสิตเกสกัมพลนิคอนนาธบุตรสันชัยเวรธาบุตรประกทุทธกัจจายณะเหล่านี้ดังๆร่วมสมัยไม่ต้องจําก็ได้เยอะนะโยม ่างคน่างก็สอนลัทธิของตนเองคนต่างคนต่างก็งเลือกนับถือและยังมีลัทธิดังเดิมคือลัทธิฮินดูศาสนาพรรหม์พระพมพิสวนพระนารายตรีมูรติเือพระเจ้าสามองค์เป็นผู้สร้างผู้ผข่มคองผู้ทําลายนั่นบูชากันพอพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมาท่านประกาศพุทธศาสนา เด่นดังมากพังงาดขึ้นมาเจาะทะลุทลวงลทัทธิเจ้าลทัทธิต่างๆเดลทัทธิปริพาโชคอาเจรกนักบวชนอกศาสนาตกกระป๋องชิดใช้ไปเลยเมื่อผู้คนมีความเคารพนับถือพุทธศาสนามากพอสมควรแล้วพระเจาะา้าอศในสมัยนั้นท่านเป็นนักบที่เก่งกล้ามากอยู่ที่เมืองปาตรีบุตรเป็นพระเจ้าเป็นรนราชวงศ์เมอรยะคือราชวงศ์นอกอยู่ หมายถ้าจะเล่าไปอีกก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยไปถึงน่งจมนกโยงอะไรไปโน่นเอาง่ายๆก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินองเนี่ยท่านอยู่ที่เมืองปาตารีบุดแควนมาคตท่านในยกกองกําลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกลไปไปแควนโนนเมืองนี้ทั้งสิบหกแคว้นเตยอังคามกทกาสีโคสวัสชีมันละเจตีวังสกุรุปัญจาศราเตนะสกกวันตีคันธาระกัมโพชะไม่ต้องจําก็ได้เยอะ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 คำว่าอินเดียนี่คนอินเดียเขาจะเรียกว่าฮินเดียนะเขาไม่ได้เรียกว่าอินเดียเหมือนกับครายิ่งพวกอารับแถวทะเลสายอาระเบียอย่างพวกซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านเยเมนปาเลสไตน์จอแดนเหล่านี้เขาจะเรียกอินเดียว่าฮินเดียใช้คําว่าฮินเดียนะไม่จช่กับว่าฮินดูหรือว่าฮินดีอินดัสรวมแม่น้ำอินดีย์เอาไปกันใหญ่ละเมื่อพระชาอศกรปีได้ทั้ง16ประเทศเนี่ยก็รวบรวมเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าประเทศ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 เห็นว่าพุทธศาสนาในมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ควรค่าที่เราจะพาประสงคกรไพร่ฟ้าอานาประชาราชยอมรับนับในศาสนานี้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของศิลธรรมคือความเมตตาปานิีวศัพท์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเหตุที่พระองค์ที่ยวไปเข็นค่าอนาประชาราชองรถิบทขยี้ไปบนกองกระดูกและเลือดเนื้อ พระหัตถ์ซึ่งตำพระขันฟันฟาดเข็นฆ่าอาริราชศัตรูเลือดนองแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว้นการลิงค่ตอนที่ท่านปราพังสุดท้ายจับป่าเป็นเฉลยสุดสองแสนห้าเข่นฆ่าด้วยพระหัตถ์เป็นแสนเนี่ยเมื่อได้คบคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธศาสนาซึมซาบอาบรสู่จิตใจความโหดร้ายารุนของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปสิ้นเหมือนสายน้าเปลี่ยนกาแฟทานไหล จากความโหดร้ายมาเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความรักความเมตตาปลานี้ภาพที่พระองค์ทรงเข็นข่านั้นไม่เป็นภาพที่ประทับใจของพระองค์กลายเป็นภาพที่สังเวชสลดใจที่เข็นข้าอาณาประชารากองรถบดขยี้ไปบนกองกระดุกและเลือดเนื้อผักขันที่อยู่ในพระหัตถิที่ฟันฟาดอาริราชสตรูประหัตถ์พะนไปกัน กลับกลายมาเป็นความเมตตาสงสารสะท้อนสังเวชใจในการกระทำแต่ก่อนไปที่ไหนเขาเรียกกันดาโศกมาแล้วจันดาโศกมาแล้วแปลว่าพระเจ้าโศกผู้โหดร้ายแต่บัดนี้ว่าองค์ไปพร้อมกับคําสั่งสรรในทางพุทธศาสนากลายเป็นธรรมมาโศกแปลว่าอโศกผู้สรงธรร ม, มแล้วพระองค์เกิดความศรัทธาเริ่อมใสพุทธศาสนามากเลยประกาศทัวทั้งแผ่นดินจกักรวรรดิอันไพศาลของพระองค์ เบอกว่าจากนี้ต่อไปเราจักให้พระสกฆ์นิกรของพระองค์เนี่ยพากันนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของชาวอินเดียในสมัยนั้นพระองค์ที่ยวไปกราบสังเวีนียสถานไปถึงตรงไหนพระองค์ตอกห ล, ลักศิลาจารึกคําสังสอนต่างๆ28องค์การกว้างใหญ่ไพศาลในจกักรวรรดอนาจักรอันกนว้างใหญ่ พระ อ, องค์ทรงจารึกคำสอนในหลักหินตต่อไปว่า28องค์งานในทุกวทั้งแผ่นดิน ม, มากมายกายกองไปที่ไหนฉับรพระสง์ในกรงไร้ฟ้าอาณาประชาราชแท้ร้องสาธุการว่ารร ม, มาโศกอกผู้ทรงรมได้มาแล้วมีชื่อใหม่ว่าพระเจ้าเทวานันทิยติศัก์แปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพ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 ประชาชนก็พากันน้อมรับคําสั่งของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อมีศรัทธามากๆคนก็เคารพเจ้าหน้าที่ศาสนาคือพระสงฆ์องค์เจ้ามีอะไรก็ยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวถาวายพระสงฆ์องค์เจ้าไปที่ไหนมิเหมือนกับเดิมไปบนหัวใจของประชาชนเขาเคารพกล่าวไปต่อจากนั้นพวก ที่ถือศาสนาอื่นเห็นว่าเออคนเขาต้อนรับคนเขานับถือเขารบพุทธศาสนาพระในทางพุทธศาสนาไปไหนมีคนกราบคนไหวอาหารการกินเยอะแยะเครื่องราบสกุลเสียงเยินยอไปไหนเข้าถวายถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าบวชในทางพุทธศาสนาดีกว่าเรียกว่าอุปชีวิกาบวชเลี้ยงชีวิตซะเลยก็เลยโกนผมห่มจีวร น, นอนในวัดไปไหนก็ไปยุให้โยมทานเว้ยเจ้าท่านซิปท่านหะให้ได้เป็นเทวดาบนสันฝ่ายย้อน เสีท่าแลวให้ท่านเทศท่านทอดแต่พระเวทเป็นทังท่านรถแก่วทั้งมากาบมานี่แต่อาตมานี่จะเอาเยอะๆได้ตอลอดไม่พอจะฝากธนาคารซื้อรถเก่งขี่ติดแอร์ประประตาศพระก็เลยร่ำรวยมั่งมีสีสุขแต่ไม่เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนไม่ประพฤติปฏิบัติเพียงแต่บวชเพื่อให้คนอื่นเครารพกราบไหว้ถวายเท่านั้นลางเสื่อมของพุทธศาสนาก็เกิดขึ้น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 คนรอบนั้นตื้อสาปตนามมากถวายเครื่องปราบสักการะสิงห์ยี่ยอมากพวกเข้ามาบวชโดยไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมคติในทางพุทธศาสนานี่เข้ามาบวชเพื่อเลี้ยงท้องเรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาลิ้นชีวิตและจะมีอีกคำนึงอุปทูสกาบวชมาไปรุษลายศาสนาในช่วงนี้เองดินดีข้าวงามหญ้างามเกิดหญกเข้านกขึ้นมาที่พุทธเจ้าเคยตัก พิษสุดทั้งหลายเรื่องเกิดมีมาอาไว้เนี่ยต้นข้าวผีเกิดขึ้นมาต้นก็เหมือนข้าวใบก็เหมือนข้าวแต่เวลามันออกรวงมามันไม่เป็นข้าวฉันได้ผู้ที่มาบวชในธรรมวินัยนี้การประพฤ่อปฏิบัติไม่อบรมสินอบรมกายอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีให้งามแล้วหนุ่มสะบงทรงจีวรคู่เหยียดก็มื่อยเคลื่อนไหวไปมาเดินห น, าน้าถอยหลังเหมือนพิษุดในธรรมวินัยนี้แต่จิตใจมากพราะวความโรคความสปปกปรกเคร่าร้อน เขาก็เหมือนข้าวผีพูงง่ายว่าคืออย่าเขาหนกเกิดมาปนเขา่าคือเข่าม้าเงงดูลงก็เป็นข้าวดีๆแต่มันออกครวงมามันไม่ใช่ข้าวนี่ก็ฉันใดดูรูปร่างก็คือพระแต่จิตใจนั้นเหมือนคาวานเหมือนอะไรอยู่เงี่ยแล้วมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาพระเจ้าอโศมหาราชตังเวทตลอดใจช่วงนั้นหาทางกําจัดพระเหล่านี้แล้วก็พอดีพบกับพระโมคคิลีบุตรติดสะเทระ รวบรวมกันทาสังขยาพระมการีบุตรเป็นฝ่ายสงนำพระอรหันต์เป็นพันรวมกันแล้วพระเจ้าโสกเป็นผู้สนับสนุนจับพระงกช่วยชั่วเหล่านี้มาสอบสวนตอบถูกตอบผิดไม่ถูกต้องตามพุทธดำรัสจับศึกว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าโสกมหาราชีโอ้โห จับพระชั่วชั่วพวกอารชีผู้ไร้อย่างอายทําชั่วยิ่งอันตรายยาข้าวไกลทุศิลหมดความหมายบวชชั่วเอาผ้าเหลืองของไวลบลางศาสนาจับศึกผ้านเหลืองกองทันเดินเพลินทึกปานปูเขาเลยจับศึกกันเป็นเส้นแซนก็เลือแต่ผููดีๆเท่านั้นมีไม่มากแล้วก็แจกจ่ายเลยก้าวสายไปประกาศพุทธศาสนาะ ฝ่ายหนึ่งก็ขึ้นไปทางโน้นฝ้าภูเขาหิมาลายไปเนปาลภูฐานทิเบตออกจีนมองโกเลียเกาหลียี่ปุ่นไมน่นู่นอีกฝ่ายหนึ่งก็ลงมาทางใต้อินโดจีนมาพมา่าสีลังกามาไทยสายที่แปดโสนาอุตระขึ้นที่นครปฐมบ้านเราเราก็เลยได้พุทธศาสนานั้นพอๆประมาณเกือบสามร้อยเพราะฝีมือของพระชาอสอง่งหลังจากพระาศาสนาบริสุทธิ์ผุด่องแล้วท่านก็เลยรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุในาที่ต่างๆ นะเอามาเอามาทําไมมาบรรจุไว้ในสถูปโลหะปราสาทหลังใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นเสร็จแล้วก็จะทําการฉลองกันเจ็ดเดือนนุ่นที่นี่พวกพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาปริบิต ก, กันว่าเอทําอย่างไรหนอเมื่อเราจาัดงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุที่จะบรรจุที่สถูปหลังใหม่เนี่ยปกติแล้วพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยมีศัตรูคือพญามารเป็นศัตรูหมายเลขห อาจจะมาทําลายพิธีกรรมของเราไหมทำยังไงพระทั้งหลายก็ประชุมกันเครียดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแในเรื่องความสงบก้าเกิดพญามารมาทําลายพิธีการต่างๆนี่เราจะทํำยังไงต้องมีองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มีเดชเรียกว่าเป็นเช็กคิวเรจีพาโทนเป็นหน่วยรักษาความสงบเป็นกรรมาการฝ่ายรักษาความสงบต้องอาศัยพระที่มีฤทธิ์มีเดชจึงจะพอฟัดพอเวียงกับพญามารปรากฏว่าพระอรหันต ทั้งหมดสั่นหัวไม่มีใครคิดจะต่อกอเนนะี่ยยอมแล้วไม่ไหวประชุมแล้วประชุมอีกไม่มีใครรับในที่สุดพระองก็เลยถามกันว่าในที่ประชุมของเราเนี่ยมีมากันครบทุกองหรื อ, อยังทางที่ประชุมมองหน้ามองหลังก็บอกครบแล้วแต่มีพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อลุกขึ้นเยืนเพราว่ายังครับยังมีท่านองค์หนึ่งชื่อว่าท่านอุปคุโน่นอยูบ่บนภูเขาหนุนเ ข, านาาเขา้านี่หล่อสมาบัติเข้าชัน เพ่งกระตินกินวาตามไม่ขยับเรื่นคลื่อนกลายาสุราอยู่คนเดียวบนภูเขาโน้นข้างหลังลก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไปนิมนต์ ม, มาความเป็นความตายของศาสนานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเราจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันในที่สุดก็ไปตามท่านมาท่านก็ลงมาดีๆแล้วก็เลยถามว่าทําไมท่านไม่ยอมลงมารับผิดชอบต่อเรื่องราวอันใหญ่โตของบ้านของเมืองของศาสนานี้ท่านก็บอกว่าพันเตท่านผู้เจริญเอ๋ย กับผมเป็นผู้น้อยยังเป็นพระเทละมันยังไม่ใช่เทละเหมือนอาตมาผู F ้เทพอยู่นี่แหละยังไม่ถึงกี่พรรษามึงจะสามพรษาอย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าผมมันเป็นเทละไม่มีความรู้ความสามารถอะไรคี่ว่าพระเทละผู้หลักผู้ใหญ่จะจัดการกันเองได้เรื่องอย่างนี้ผมก็เลยไม่มาขอดื้อโอกาสเขานิโรธสมาบัตสบายสบายอยู่บนภูเขารับผมไม่ได้พระศาสดาท่านอนุญาต นักทนหลายเ่ิดฟังให้เดียวพระพุทธเจ้าทำให้ลงโทษผักแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องลงโทษถ้าหากไม่มารับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาะเป็นเรื่องใหญ่โตทางอำนาจสงมีสั่งและต้องทำภาษาบาลีบอกครุกาสังคดสะอาณนอำนาจสงเป็นใหญ่หนักแน่นมากฝื้นไม่ได้ถ้าสงทั้งหลายเห็นดีเห็นงามอย่างเงี้ยเมื่อมาอยู่ในป่าในดงเดียเ๋ยวนีย พระบุลาผูใหญ่ท่านใช้ท่านสั่งให้เขาจังหวัดด่วนนะัมีการประชุมมีการอบรมนั่นนี่ยังไงก็ต้องไปเพราะถือว่าเป็นคําสั่งของสงถือพระนี่ท่านถือคําสั่งสง์เป็นใหญ่ครุ ก, กาสังคตสะอาณาอํานาจรงฆเป็นใหญ่ฝืนไม่ได้แต่ถ้าฝืนสงสั่งลงโทษแม้จะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสั่งให้ลงโทษเรียกว่าลงทันทกรรมอรหันต์เนี่ยลงโทษในที่ประชุมก็เลยบอกว่าเอาอยัางไงในเมื่อท่านอง์เนี่ย ท่านผิดนะท่านไม่มายอมรับผิดชอบประความเป็นความตายของศาสนาของบ้านของเมืองเองไหมศาสนาวุ่นวายป่านนี้ท่านยังไม่อยากจะมาเนี่เราประกาศกันโคมมมคมเข้ามากันหมดตัวเองยังไม่มาเอายังไงคณะสงฆ์ทั้งหมดในที่ประชุมก็โว้เสียงเมเจอร์ลิติออบโปรดว่าลงคะแนนเสียงลงโทษพระอุปคุขคนเดียวให้อุปคุขเป็นผู้รับผิดชอบในงานคันนี้ถ้าหากพระยามาทําลาย เอาะคูณท่าน ก, ก็หมยจคนมีที่ที่มาน่าพอทันไป็นของอลังคันแล้วท่านก็ยอมรับโดยดุษฎีครับผมผมยอมแล้วคณะสงฆ์จะทํำยังไงสงฆ์ก็บอกว่ทาท่านรองรับผิดชอบในงานนี้จะฉลองอพระสาลีลิกรธาตอะไรจะเกิดขึ้นท่านรับผิดชอบนะเกี่ยวกับพญามารจะมาทําลายพิธีท่านก็เลยตกลงหลังจากนั้นท่านก็เลยไปเนลมิตรประสาทอยู่กลางแม่นม้ําใกล้ๆคอยดูเชิงไว้ก่อนัเสร็จแล้วพญามารก็มาเลย มาทำลายพิธีในละมิดเป็นฝ น, เ ป, น, นเป็นลมเป็นฝนเท่าลึงฝนทานเพลิงอะไรมาท่านก็จัดการด้วยฤทธิ์ของท่านอำนาจเจิตของท่านทำลายให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปแล้วกันในละมิดหนังหมานเน่าเหม็นขึ้นเอืดเอาไปผูกพยามารดินกระเดวกระเดาบนภูเขาแก้ยังไงก็ไม่ออกไปให้ผู้มีฤทธิ์แก้กแก้ไม่ออกแนะคาถาอุ ป, ปคุตที่เราเรียนกันว่าเป็นคาถาผูกผีผูกฟางนั่นนะ ทั้งมวลมันเป็นคำบาลเลีพพระอุปกไม่นำมากล่าวที่นี่ค่ะเสียเวลาไปเขาประคุณทาัานเลยผูกพยามารพยามารแก้ไม่ได้นั้นที่สุดยอมเมื่อท่านยอมแล้วพยามารยอมแล้วท่างก็เลยแก้ให้แก่หนังมาเน่าเบนเบนออกแล้วก็ผูกด้วยบ่วงใหม่อีกไปไว้บนภูเขาจนงานเสร็จจึงปล่อยพยามารงานนั้นก็เลยสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบุญพระเวสสันดรเราก็ถืออย่างนี้กันเลยจึงได้จับกันจับกันให้มีของอประคุตเพื่อรักษา ความองบกลัวพวกปีกองเลงตืมทุกตืมทุกจะเสือลาขางเสือเหลืองแล้วเหลียวเหลาอีแห่งตากปีกพวกไอหันโนมานถวายแหวนแล้วก็จะรำมวยใส่กันเมื่อความร้อนมันจัดขึ้นหรือว่าเมาหนักขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็จึงต้องไปเชิญอุปคุตตอนบ่ายผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกพาหลานไปด อ, อกไม้ถูกเทียนไปที่ริมหนองน้าสมมติว่าหันอยู่ตรงนั้น ก็ไปเชิญโอกาสาโอกาสาฟุงขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเขาภายนอกนี้ออกตนเป็นประรานผ้ากัญจาร์เรืองสการาบูชาการมากรวัยแก่พายอยไทอุปปกุเถระต้นนีฤทธิองอาจเนลมิตรปราทแกวกุดีกลางนาทีแนะนำให้มาไขด้วยพมจารี หยุดสุขีบอสกเสาบัดนี้ข่าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมกันฟังยังลำพเวทในควงเกตอารามขออัญเชิญเจ้ากูตนทงคุนขามากเป็นที่อาจแพรแก่มูผีในเจ้ากวานมึงซีคอจงมาผาบมันดังหาอันจะมาเบียดเบียนตุงขาทั้งลายแห้งหยายโพยัยอันทลายทุกซ้ํำปลอพมพำตวนทุกประการก่อขาเทินอันนี้เชิญเป็นตัวอย่างให้ฟัง แต่ลูกหลานจะไม่รู้ต้องเชิญให้มาเมื่อเชิญแล้วก็แห่กันเข้ามาพอแห่อุปคุตเข้ามาแล้วตีคองตีคองถือบาดไตรจีวรแห่กันมาแล้วก็วนรอบศาลาสามรอบแล้วก็เอาสิ่งของเหล่านั้นวางไว้ในหออุปคุตเวลาเพลิเวลาจังหันก็จัดอาหารวานข้าวไปไว้ในหอ น, นั้นด้วยต่อไปก็เตรียมการไปแห่พระเวสสันดรหรือก่อนนั้นอาจจะมีการหดการทรงเทราพิเศษเสร็จเรียบร้อยเน่เข้ไป แห่พระเวสสันดรไปเชิญพระเวสสันดรเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงทางวัดจตีกองโฮมพระสงฆ์ญาติโยมจะพากันไป